สวัสดีพวกเราทั้งหลายเราในที่นี้หมายถึงว่าพวกเราชาวมนุษย์ทําไมถึงเรียกว่าชาวมนุษย์เพราะว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเมื่อมีจิตใจสูงแล้วทําไมมนุษย์บางคนจึงมีจิตใจต่ําอันนี้ก็ มีเหตุที่ว่าในจิตใจของคนเรานั้นมีกิเลสกิเลสมีอยู่ในจิตมาตั้งแต่เกิดเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าใครไม่มีสติมันก็จะต้องอทำตัวของเราให้ตกต่ำการทำตัวให้ตกต่ำนั้นก็คือว่าเราทำใจของเราเน่ ให้ต่ำลงไปคำว่าใจต่ำนั้นคือการปฏิบัติในทางที่ผิดศีลธรรมอย่างคนที่ขาดกตัญญูกตวเวทีไม่รู้จะคุณพ่อแม่อย่างนี้ก็ถือว่าจิตใจต่ำเพราะว่าพ่อแม่กว่าเลี้ยงเรามาจนกระทั่งเติบใหญ่โตขึ้นมาก็พากั น, นดื้อด้ซะ โตขึ้นมาก็พากันนอกพ้อไม่รู้ว่าพ่อแม่เรามีความสำคัญอย่างไรนี่ยก็เรียวกว่าจิตใจตกตำ่ำหรือว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งประโยชน์หมายความว่าประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลผู้อื่นและประโยชน์ในเบื้อง พอเราพบเบื้องหน้าประโยชน์ทั้งสามอย่างนี้จะเป็นการพัฒนาบุคคลนี้ให้ใหมีความสำคัญยิ่งขึ้นประโยชน์ตอนนั้นก็ได้แก่การสร้างฐานะเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จำเป็นต้องมี ครอบครัวจําเป็นจะต้องมีอาหารจะต้องมีเครื่องยุนเนืนุ่งห่มจะต้องมีที่อยู่อาศัยสารพัดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จําเป็นต้องแสวงหานั่นเรียกว่าประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งเหล่านี้นั้นก็เรียกว่าจะต้องได้มาโดยชอบธรรมไม่ใช่ไปขโมยของเขามาไม่ใช่ไปโกงเขามา ไม่ใช่ไปหลอกลวงเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ น, นั่นเรียกว่าจิตใจตกต่ำแต่คนที่แสวงหาทรัพย์สินสมบัติด้วยความสุจริตยุติธรรมสามารถประกอบอาชีพทำตนของตนให้เป็นหลักฐานขึ้นมาได้นั่นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ส่วนตน เมื่อประโยชน์ส่วนตนนั้นมั่นคงพอสมควรแล้วก็ต้องทำประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ผู้อื่นนั้นคือคนเราที่เกิดมานั้นไม่ก็จะต้องมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงในเมื่อเราอยู่ในฐานะที่สมควรแก่การที่จะช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นได้นั้นเราก็จำเป็นต้องยอมเสียสละ อย่างน้อยที่สุดไม้มันขวางทางอยู่ไม่มีใครเอาออกไปเราเอาออกไปก็ยังถือว่าเสียสละอย่างหนึ่งหรือว่าคนที่เขายังไม่รู้จักธรรมะเราพยายามแนะนำให้เขารู้จักธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราได้ทำประโยชน์ถ้ารอจนกระทั่งในเมื่อเห็นเขาหลงทางเราก็ บอกคนทาเรารู้จักคนทางเราก็บอกคนหลงทางให้เขาเดินไปในทางที่ถูกต้องอันนั้นมันก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นในการที่เราเป็นมนุษย์มันจําเป็นที่จะต้องอรักษาประโยชน์ตนแล้วก็ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ก็คือประโยชน์ในเบื้องหน้า ประโยชน์ในเบื้องหน้านั้นได้แก่การที่เราจะต้องทำสเสบียงเพราะว่าการที่เราตายนั้นไม่ใช่ตายแต่ว่าเพียงจะเปลี่ยนร่างเท่านั้นเราเปลี่ยนจากร่างนี้ไปหายอีกร่างหนึ่งเรียกว่าตายแต่ใจนั้นไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอันที่เรียกว่าบุญกุศล การให้ทานรักษาศีลภาวนาต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประโยชน์ในเบื้องหน้าที่เราจะต้องเอาไปเป็นทะเียนต่อไปถ้าคนเรานั้นรู้จักทาประโยชน์ตนรู้จักทาประโยชน์คนอื่นและรู้จักทาประโยชน์เบื้องหน้าเขาว่าบุคคลพวก น, นั้นได้สามารถพัฒนาตัวของตนเองขึ้นมา สู่มาระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายเวลานี้เราควรที่จะมองสักสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือการทำสมาธิการทำสมาธิทาไมจึงเป็นสิ่งที่สาคัญก็เพราะว่าการทำสมาธินี่ก่อนจะเป็นสมาธิ มันก็มีอารมณ์เยอะพอเราเริ่มทําสมาธิเราก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งเรีย ก, กว่าพุทโธเมื่อเรานึกพุทโธแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิตพลังจิตพลังจิตนั่นก็ไปสะสมไว้ที่จิตเมื่อเราทํามากขึ้นมากขึ้นพลังจิตเหล่านี้ก็เพิ่มพูนขึ้นไป และพลังจิตอันนี้จะไปรวบรวมไว้ซึ่งบุญวัสนาบา ร, รมีเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อทําจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ต้องเข้ารวังเข้ารวังเนี่เมื่อเราเข้ารวังหลายครั้งหลายครั้งเข้าเราก็เกิดความชํานาญที่จริงแล้วนั่นธรรมชาติมันก็มีรวังอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติ มันไม่ได้มีความจำนานหรือว่ามันเป็นปกติของมันเองแต่ถ้าทาสมาธิให้เกิดพวังเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความจำนานในการที่ เ, เราจะต้องต่อสู้ในชีวิตต่อไปข้างหน้าทำนานนั่นน่ะมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ที่ว่าคนเราจะตายเนี่ยจิตมันจะต้องเข้าผวังจะเกิดจิตก็ต้องเข้าผวัง เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจิตเขาผวังแล้วเราก็จะรู้สึกการผ่าวผวางธรรมชาติที่เราเขา้าผวางอยู่นั่นน่ะมันก็เหมือนกับหลับไปไปรู้สึกเอาเมื่อตื่นแต่การทําสมาธิให้เกิดผวังเนี่ยมันไม่ใช่รู้สึกเฉพาะในเวลาทําสมาธิแต่ว่าเมื่อเวลาที่จิตเข้าผวังด้วยสมาธิแล้วมันก็จะมีความรู้คือมีความสว่างอยู่อันหนึ่ง ถ้าหากว่าทำสมาธิหลายครั้งมันเกิดความจนานาญมันก็เรียกว่าแป๊บเดียวจิตของเราก็เข้าที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาที่เราจะดับชีพทําลายขันหรือเวลาเราต้องตายะระวังนะมันจะต้องเข้าแล้วเจิตที่เราทําพลังจิตไว้นั้นมันก็จะเข้ามารวบรวมให้จิตใจของเรามีแสงสว่างมีทางเดินต่อไป ไม่เหมือนกับคนหลับตาเดินนั่นคืออานิสงส์ของการทําสมาธิอย่างไรก็ตามการทําสมาธินั่นก็จําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์หาครูบาอาจารย์ที่เหมาะแล้วก็พยายามทําไปต่านทั้งไหลายท่านก็จะได้ประสบสิ่งในสิ่งดีในชีวิตของท่านได้ทั้งประโยชน์ตนได้ทั้งประโยชน์ผู้อื่น ได้ทั้งประโยชน์ในเบื้อนหน้าได้ทั้งประโยชน์ในทางด้านจิตใจสวัสดีสาธุ